เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงตัวเนตังมะมะัเนโสมาสมินะัมโสวัตานะซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดพูดบ่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยได้มีการสอนตรงนี้กันเลยนะหายไปเลยคือเราเจอแต่3ามตัวว่า อนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่เนตังมะมะเนสโอมัสสมินะเมโสตากับไม่เคยรู้จักนะซึ่งพระในครั้งพุทธกาลจะรู้จักค่อนข้างมากเพราะพระเจ้าจะพูดคู่กันกับอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาภูมิความรู้ของเราเลยสุดแค่อนัตตาซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าบอกเมื่อเห็นอนัตตาแล้วจะต้องเกิดปัญญ า, ญญาขึ้นต่อไปว่าสิ่งสิ่งนั้นอะไม่ใช่ตัวเราของเราจะเกิดการแยกตัวระหว่าง ผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตนะเหมือนโยมเห็นสัตว์ตัวหนึ่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแล้วเอาไปเผาเป็นขี้เท่านะโยมเห็นตั้งแต่แรกจนกระทั่งมันตายไปเพราะฉะนั้นสัตว์กับโยมต้องเป็นคนละตัวกันโยมเห็นมันตั้งแต่เกิดจนตายแสดงว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าโยมเป็นสัตว์ตัวนั้นโยมจะต้องไม่เห็นขี้เท่าตัวเองแสดงว่าโยมเป็นคนนอก ที่เข้าไปมองมันเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้ผู้เจ้าจึงบอกใครก็ตามที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะคนคนนั้นจะเข้าใจธรรมชาตินั้นที่เรากําลังสังเกตกําลังมองว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ว่าเข้าใจได้ไม่ยากนักนะนั้นถ้าเราอุปมาแล้วเนี่ยอย่างผู้เจ้าจะอุปมาว่า ภิกษุทั้งหลายเธอเห็นพวกเลกวัดเนี่ยคนทําการวัดลากเอากิ่งไม้ไปไม้ไปเผาไหมบอกเห็นเนีเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับถูกลากไปกับพื้นเอาไปเผาไหมบอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรก็กิ่งไม้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่กิ่งไม้ก็คือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ได้เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันแต่ทีนี้มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่กิ่งไม้แต่มันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา มันก็เลยมองยากนิดหนึ่งเราก็เลยต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าอันเนี้ยนะตาไม่ใช่ของเราเพราะอะไรตามันเสื่อมได้แปลเปลี่ยนได้ผมไม่ใช่ของเราผมขนเล็บฟันหนังนะสุขทุกข์อุเบกขาไม่ใช่ความจําไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งไม่ใช่วิญญาณความรู้แจ้งไม่ใช่ก็ต้องมาค่อยๆทําความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ซึ่งพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดคิดว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นตัวเราของเราเราจึงบอกนี่ความคิดฉันเวลาสุขก็บอกสุขฉันทุกข์ฉันอย่างเนี้ยทั้งๆที่มันไม่ใช่ของเราเลยนี่จึงเป็นอุบายวิธีให้เห็นว่าทำไมมันถึงไม่ใช่ของเราก็คือเห็นว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงมันดับไหมถ้ามันไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนและมันดับแสดงว่ามันเป็นตัวตนชั่วคราวนั่นคืออนัตตาอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มี อนัตตาหมายถึงมันมีขึ้นมาแล้วแล้วมันหายไปมันเป็นตัวตนชั่วคราวไม่ได้ตัวตนถาวรความเห็นว่ามีจริงนะก็เป็นสุดตรงข้างหนึ่งความเห็นว่าไม่มีก็เป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งความเห็นที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนั่นก็คือตัวเลสสัต ส, สีนั่นเองคือเกิดและดับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีเกิดและมีดับนั่นแหละเป็นอนัตตาและมันจะไม่ใช่ตัวเราของเรานะ เมื่อมองเห็นธรรมชาติเหล่านี้เป็นอย่างนี้ผู้เจ้าจึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจมูกลิ้นกายใจแม้แต่ใจก็ตามการละเสียได้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะจริงๆเราเนี่ยมีสภาวะของความเป็นวิมุติเนี่ยอยู่ในตัวทุกคนคือมีสภาวะของความไม่ตายอยู่ในตัวทุกคนแล้วแต่เราดันไปพอใจของตาย เราไปพอใจรูปธาตุซึ่งประกอบด้วยดินน้ำไฟลมสีธาตุว่าเป็นตัวเราของเราเราไปพอใจสุบทุกอุเบขาพอใจสัญญาความความจำได้หมายรู้พอใจความคิดปรุงแต่งพอใจวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นของเกิดดับเป็นของเป็นอนัตตาเป็นของตัวตวนชั่วคราวนั่นเองเหมือนก้อนน้ำแข็งเกิดมาแป๊บเดียวหายไปเกิดมาแป๊บหายไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครหมั่นมองตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ ผูเจ้าบอกว่าความรู้สึกในความเป็นตัวเราของเราจะค่อยๆหมดไปหมดไปเพราะองค์จึงบอกว่าใครจเจริญอ น, นิจจสัญญามากทุกขสัญญาจะมั่นคงใครจเจริญทุกขสัญญามากคือเห็นการดับการดับการดับบ่อยๆอนัตตสัญญาจะมั่นคงใครจเจริญอนัตตสัญญามากอาหังการมะมังการนะคือการถือว่าตัวเราของเราก็จะหมดไปนะนี่มันเป็นลาดับขั้นอย่างนี้ นั้นตรงนี้ในขาวที่แล้วจึงบอกปฏิปทาตรงนี้ว่าเพราะองค์เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะตัวเนตังมะมะเนสโมะสมินมะมิโสวัตตาสามตัวนี้นะ <c oughs> ตอนนี้เ อ, อพระสูตรถัดไปที่จะให้ พวกเราได้ฟังนะพระองค์บอกว่าอริยสาวกเนี่ยย่อมที่จะรู้ปฏิจจสุบาทโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ว่าอธรรมะพระเจ้าจํามาผิดลอกมาผิดหรือเปล่าตรวจสอบได้ยังไงคนไม่เคยศึกษาก็จะเกิดสงสัยข้อนี้พระองค์บอกว่าคําของพระองค์เนี่ยเรียกว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคําคือถ้อยคําที่จัดระบบระเบียบอย่างถูกต้อง และตรวจสอบได้นะเพราะฉะนั้นถ้อยคำของพระองค์เนี่ยจึงตรวจสอบได้ด้วยถ้อยคำของพระองค์เองว่าถูกต้องหรือผิดเพี้ยนอย่างไรนะผู้เจ้าบอกวิธีการตรวจสอบไว้หมดแล้วใช้หลักความเป็นปจัจจตังคือรู้เฉพาะตนหลักความเป็นสิกิปูโตคือเป็นพยานในตนเองได้และหลักมหาประเทศ4ี่คือคำของผู้เจ้าเนี่ยจะไม่มีการขัดแย้งกัน หรือหลักที่ผู้เจ้าบอกว่าพระองค์กาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวและนับแต่ราตรีที่องค์ตรัสรู้ถึงปณิธานคําของผู้เจ้าไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันได้ทั้งหมดหลักนี้เป็นหลักการที่สําคัญซึ่งเราจะเอาไว้ใช้วัดสอบคําของผู้เจ้าซึ่งเราตรวจสอบมาได้หลายหลายพสูตรแล้วที่เมื่อพสูตรขัดกันพับเนี่ยเรายืนยันว่าคํำผู้เจ้าไม่มีทางขัดกันไปตรวจเช็คบาลีก็เจอว่ามีการแปลคาดเคลื่อน ถ้าแปลไม่ผิดปั๊บเนี่ยพระสูตรจะสอดรับกันหมดเลยนะจะไม่มีการขัดกันอย่างนี้ซึ่งทำให้เรายิ่งเกิดความศรัทธาในคำพูะเจ้าว่าคําพูะเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆนะ <c oughs> พระสูตรนี้พระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนาะ เพราะความเกิดขึ้นแห่งอะไรอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรมีสลายตนะจึงมีนะไล่ไปเรื่อยๆไล่าสายปฏิจจสมุปบาทไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเพราะมีเพราะอาวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารทั้งหลายมีวิญญาณจึงมีนะธรรมชาติเหล่านี้อาตมาคเคยบอกให้บ่อยๆนะว่าสายปฏิจจะเนี่ยเราตรวจสอบได้และเวลาถ้าไปพูดต่างาศาสนาเนี่ยโยมต้องเอาสายปฏิจจะไปพูดเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็ตาม ทุกคนมีอาการจิตอย่างนี้หมดคือมีผัสสะพระุทธเจ้าจึงบอกไม่ว่าจะเป็นสมณพราหม์รัตที่ใดๆก็ตามที่บัญญัติอะไรก็ตามต้องอาศัยผัสสะเป็นตัวบัญญัติทั้งสิน้นะจะบัญญัติอะไรโดยไม่อาศัยผัสสะทําไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นผัสสะเนี่ยพุทธเจ้าเริ่มก่อนเลยเรียกผัสสายยตนาทั้งหลาย6ประการเนี่ยถ้าสมณพราหมณ์ผู้รู้เหล่านั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องผัสสายยตนาทั้งหลาย6ประการแล้วเนี่ย ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่ชื่อว่าเป็นพรามในหมู่พรามแสดงว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะตัวภาษาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอ้ยทำไมโยมไปซื้อผ้าพันคอผืนนี้ไม่ซื้อผ้าพันคอผืนอื่นใช่ไหมเป็นเพราะอะไรอยเป็นเพราะอะไรทาไมทำไมถึงอยากชอบ แสดงว่าโยมชอบโยมจึงเลยอยากจะซื้อผ้าพันคอผืนนี้ถูกต้องไหมอ่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้เจ่าก็บัญญัติอะไรเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตรงไหมความชอบต้องมาก่อนโยมซื้อของไม่ชอบไหมใช่ไหมเห็นมีป้ายปิดร้านนี้มีแต่ของชอบอ่าแสดงว่าร้านมันรู้ว่าคนต้องชอบก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะเกิดความอยากที่จะซื้อนะ ผู้เจ้าก็บัญญัติถูกแล้วเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาต้องพอใจมาก่อนความอยากจึงตามมาแล้วถ้าถามโยมต่อว่าเพราะอะไรความชอบโยมจึงเกิดขึ้ น, นไปเห็นถูกต้องถ้าโยมไม่มีตาไปเห็นผ้าพันคอความอยากที่จะซื้อนี้เกิดได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่หูยังฟังเสียงได้อาจจะได้ซื้อ CD ดีใช่ไหม ได้ซื้อซีดีมาฟังคนหูหนวงไม่อยากซื้อซีดีมาฟังนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงบัญญัติผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานยึดละผ้าพันคอยมหายยมทุกไหมทุกละอ่าถ้าผ้าพันคอห่างหายโยมไม่ทุกเพราะไม่ใช่ของฉันใช่ไหมอ่ามันมีของเราขึ้นมาทันทีเลยนะอุปทานเกิดแล้วใช่ไหม ทั้งๆที่ผ้ามันก็ไม่ใช่ของใครหรอกแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครแต่เราว่านี่ของเราอย่างเนี้ยนะอืมนี่ผู้เจ้าบัญญัติคิดดูว่าสองพันกว่าปีผู้เจ้าบัญญัติว่าอาการจิตคนเป็นอย่างนี้ผ่านมาสองพันกว่าปีอาการจิตมนุษย์ก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่แหละธรรมะที่เรียกว่าเป็นอาักาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมานะ พระบางองค์แยังว่าโอ้ยไม่มีใครเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรอกนะอาตมาก็ถามมีใครเคยเห็นพระนเรศวรพระเจ้าตากอะคิมิดิสกาลิเลโอไม่มีใครเคยเห็นแต่แต่ตรวจสอบก็ได้ไหมหลักฐานทางประวัติศาสตร์กฎทฤษฎีของเขาตรวจสอบได้นะตรวจสอบทฤษฎีของเขาไอน์สไตน์เราก็ไม่เคยเห็นเอาทฤษฎีเข้ามาคิดแล้วก็ตรงจริงตามนั้นเอ๊ก็เกิดศรัทธาว่าเอออันเนี้ย มันต้องจริงคนพูดคานี้ต้องมีจริงเหมือนกหลักการพุทธวจนะเราตรวจสอบด้วยความหลักความเป็นปจัจตังหลักการเป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้รู้เฉพาะตน people, ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเพราะฉะนั้นคำพระพุทธเจ้าเนี่ยตรวจไม่ยากเลยขอให้รู้หลักการที่พระเจ้าเคยบอกไว้ซึ่งถ้าอาตมาไม่เคยรู้หลักการของพระเจ้าอาตมาก็ตรวจไม่เป็นเหมือนกันหเหมือนกันนะ ท่านต้องบอกหลักการของท่านเราถึงจะทำได้เราถึงจะตรวจได้นะความรู้พวกนี้เนี่ยใครรู้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกคนคนนี้คือโสดาบันบุคคลนะเนี่ยรู้อะไรอีกดูก่พิภุทษุทั้งหลายอริยสาวกพูดได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่า เพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรอะไรจึงดับทีแรกเนี่ยจะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดอันนี้ว่ารู้ว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีโยมจะรู้ว่าถ้าโยมละความพอใจในผ้าพันคอปืนนี้ได้โยมจะไม่ทุกข์เพราะผ้าพันคอปืนนี้ถ้าโยมกวาดสายตาไปมองผ้าพันคอแล้วโยมวางความพอใจได้หมดโยมจะไม่เสียเงินซื้อแน่นอนเช็มะอ่าเพราะวางความพอใจได้ เราไม่ได้เกิดความพอใจตัณหาความอยากก็ไม่เกิดขึนนะความยึดก็ไม่มีตามมาตัวสายปฏิจจสุบารเนี่ยทั้ง 11-12 อาการเนี่ยถ้าเราตัดสายใดสายหนึ่งหรือทำความพอใจกับสายใดสายหนึ่งสายที่อื่นสายที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะก็จะดับไปทั้งหมดนะนี่วิธีหลักการของผู้เจ้าจึงบอกว่าสายปฏิจจสุบารสายใดก็ได้ ถ้าเธอเห็นโดยนัยะอริสสีคือเห็นการเกิดและการดับเห็นความไม่ใช่ตัวตนของมันซ้ายได้ก็ได้หลุดพ้นได้หมดเหมือนกันนะไม่จําเป็นจะต้องไปรู้ทั้งหมดรู้แค่เวทนาตัวเดียวตัณหาตัวเดียวอุปทานตัวเดียวก็ได้รู้ปัจจัอย่างเดียวก็ได้ได้หมดเลยอย่างนี้ พระองค์ตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามที่เป็นจริงอย่างนี้ในการใดในการนั้นเราเรียกอริยาสาวกนี้ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิบ้างพระโสดาบันเนี่ยเรียกว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นสมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นนั่นเองผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะมาถึงแล้ว ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วได้เห็นพระสัทธรรมนี้ผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสข ะ, ะและสุดท้ายคืออะไรผู้ยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะยืนอยู่จอประตูอมตะแล้วนะโสดาบันเนี่ยยังเปิดไม่ได้ร อ, อหากุญแจเปิดนิดเดียวอริยายญาณธรรมเป็นอย่างไรนะ พระองค์บอกว่าดูก่อนข้าพเดีก็อริยายะธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วได้ดีแทงตลอดแล้วได้ดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่าตัวอริยา ย, ายธรรมเนี่ยเป็นตัวเครื่องวัดภูมิทําความเป็นพระโสดาบันบุคคลใครได้อริยายะธรรมอันเดียวเอาไปเลยโสดาบันบุคคลนะเห็นอย่างไรดูก่อนข้าพเดีออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือพระเจ้าก็ไล่าสายปฏิจจสุบา ท, ทั้งหมดอาจมาจึงบอกว่าสายปฏิญาณเนี่ยไปท่องให้คล่องกฎอิทธปัชะตาท่องให้คล่องนะแล้วพิจาณาอยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้เพราะเรากําลังพิจารณาตัวของอริยะญาณธรรมโดยตรง ซึ่งเป็นตัวเจาะแทงกิเลส ท, ที่จะทำให้เราเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลอันนี้สายวงรอบการเกิดแล้วก็สายวงรอบการดับนะดูก่อนก็บาดีอริยญาณธรรมนี้แหลเป็นสิ่งที่อริยะสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญานะอันนี้คือตัววัดความเป็นโสดาบัน น้าห้เนี่ยเป็นอุปมาที่อาตมาเคยยกให้ให้พวกเราได้ยินอยู่เรื่อยๆในเรื่องของไม้สองก ร, รนะว่านารูปกับวิญญาณเนี่ยมันทำงานกันอย่างไรนะปกติพู้เจ้าจะยกอุปมาเหมือนแสงกับฉากภาษาลิบุต ย, ยกอุปมาเหมือนไม้สองก ร, รเนี่ยพิงกันอยู่นะเอียงพิงกัน ถ้าดึงไม้กำนี้ไม้กำนี้ก็จะลม้มดึงไม้กำนี้กำนี้ก็จะลม้มนะวิญญาณมีพวะรูปนามรูปนามมีพะวิญญาณนะเวลาก็ตอบคำถามสาวกกันแล้วสาวกก็สงสัยว่าวิญญาณอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณเนี่ยจะอุปมาอย่างไรถึงจะเข้าใจนะพระสารีบุตก็เลยอุปมาอย่างนี้นะว่าดูก่อนท่านผู้มียุเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำ จะพึงตั้งอยู่ได้ก็เพราะอาศัยซึ่งกันและกันข้อนี้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอยู่ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปและสายปฏิจจสุบาทที่พระเจ้าตรัสในบางสายก็สุดแค่วิญญาณกับนามรูปเหมือนกันหรือที่พระเจ้าท่านตรัสว่าคลองแห่งการเรียกก็ดีคลองแห่งการบัญญัติก็ดีนะเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็ดีคลองแห่งการพูดจาดีมีเพราะ วิญญาณกะ น, นามรูปเท่านั้นเองมีเพราะไอ้สองธรรมชาตินี่มันทํางานกันนะคือวิญญาณเข้าไปรู้ในธาตุทั้ง4ี่คือรูปเปรนาสัญญาสังขารสี่ธาตุวนไปตรวจได้ไหมตรวจได้เวลานี้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้เรานั่งสมาธิตอนนี้สักหนึ่งนาทีใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าจิตที่รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยปุ๊บมันไม่ได้อยู่ตลอดมันก็หลุดปุ๊บไปคิดอดีตบ้างเราก็รึงกลับมาอยู่ที่ลมปุ๊บ ไปคิดปรุงน า, นาคตบ้างเนี่ยไปสัญญาไปสังขารเดี๋ยวกลับมารูปเดี๋ยวไปเวทนาสุขทุกข์อุเบกขามันจะวนอยู่อย่างนี้4ีธาตุนี้คือที่บนของจิตจิตจะวนอยู่ใน4ีธาตุนี้ยมจะนั่งไป5ปี10ปีก็ตามจิตก็จะวนอยู่แค่นี้ผู้เจ้าจึงเรียก4ีธาตุนี้ว่าบิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะและนี่ก็คืออารมณ์ของจิตหรือคือที่เกิดของจิตหรือคือพบหรือคือกรรม โยงไปได้หลายเรื่องนะกรรมกับภพโยงเท่ากันผู้ชาอุปมากรรมคือภพภพคือกรรมภพคืออารมณ์อารมณ์คือกรรมนะเพราะฉะนั้นจะทิ้งกรรมทิ้งง่ายๆนะละนันทิละอารมณ์นั้นไปละภพนั้นไปกรรมดับแล้วนะกรรมคือตัวที่ต้องอาศัยของจิตถ้าจิตมีที่ตั้งอาศัยจิตก็มีกรรมคือมีการกระทํา การกระทามีขึ้นการเกิดก็มีขึ้นถ้าการเกิดมีชรลามรณะก็มีแก้แก่เจ็บตายไม่ได้ทำยังไงการเกิดจะไม่มีเพื่อให้ชรลามรณะนั้นดับไปก็คือทิ้งการเกิดให้ไหวที่สุดนะจึงเป็นเหตุผลของการละนันทิวาทำไมพระพุทธเจ้าสั่งให้พวกเราละนันทิคือความเพลินให้ไหวที่สุดไวขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าชมไวเท่ากระพริบตากระพริบตาเดียวเธอต้องละความเพลินในอารม์นั้นให้ได้ หรือเหมือนบุลุดดีดนิ้วดีดนิ้วนะทีเดียวอารมณ์จะต้องดับไปโกรธขึ้นมาปุ๊บดีดนิ้วอารมณ์จะต้องดับดีใจขึ้นมาปุ๊บดีดนิ้วอารมณ์จะต้องดับอย่างนี้นะกระพริบตาเดียวหรือพระองค์เปรียบเหมือนหยดน้ําหยดลงในกระทะร้อนๆฟ้บเดียวต้องหายไปนะอย่างนี้คื อ, อมาตรฐานในการวัดสอบความก้าวหน้าในการภาวนาของเราว่าการภาวนาของเรานั้นเนี่ย มีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรให้ใช้ความเร็วในการทิ้งอารมณ์เป็นตัววัดสอบความสามารถในการภาวนาอย่างนี้เคยรู้จักคำว่าธรรมะกะถึกไห ม, มเคยบอกให้ฟังครั้งหนึ่งอาจจะนานมาแล้วนะถ้าผู้ใดก็ตามแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดดับไม่เหลือแห่งชลามมนะ ดับไม่เหลือแห่งชาติดับไม่เหลือแห่งภพดับไม่เหลือแห่งอุปทานนะ่ะตัณหาเวทนาภาษานะ่ะในสายปฏิจจทั้งหมดเนะนี่ยคนคนนั้นจะเรียกว่าธรรมกรถึกนะ่ะคือเป็นผู้ที่อ่าแสดงธรรมะชั้นลึกนะ่ะแสดงธรรมะที่เป็นส่วนอริยสัตตสี 4, นะ่ะส่วนของปฏิจจสุบานเช่นภาษาริบุตร แสดงทำตรงนี้ให้พวกเพื่อนสาวกทั้งหลายฟังแล้วเพื่อนสาวกทั้งหลายก็เลยชมพระสารีบุตรว่าน่าอาศาัศจรรย์ท่านสารีบุตรไม่เคยมีมาแล้วท่านสารีบุตรเ ท, ท่าที่ท่านสารีบุตรกล่าวมานี้นับว่าเป็นการกล่าวดีแล้วก็แลเราทั้งหลายขออนุมโมทนายินดีต่อคำเป็นสุภาษสิทธิ์ของท่านสารีบุตรนี้ด้วยวัตถุส6เรื่องเหล่านี้คือท่านผู้มีอายุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชลามลณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่าภิกษุธรรมกรถึกถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชลามลณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วนะเห็นไหมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบางทีก็มีคนสงสัยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นอย่างไรนะที่พระเจ้าบอกว่าฟังธรรมแล้วให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะถึงจะได้ผลก็คือเอามาไขคุณรตรงเนี้ไขคุณในเหตุเกิดว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไร